รัตการมีหมอท่านหนึ่งนะซึ่งเก่งมากเรียกว่าเป็นหมอเทวดา เ, เป็นหมอประจําตัวของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวคือหมอชีวะกะกุามารพัฒชื่อนี้เนี่ยนักเรียนแพทย์แผนไท ย, ยทุกคนนะรู้จักดีนะเรียกว่าท่านเป็นปรมาจารย์ของแพทย์แผนไทยเลยทีเดีชื่อประวัติของท่านน่าสนใจนะตอนที่ท่านยังหนุ่มเนี่ย ท่านไปศึกษาหาวิชาความรู้นะถึงเมืองอตักกศิลานะก็ไกลาจากกรุงราชครืมากทีเดียวตอนนั้นเนี่ยสำนักทิษาปามโมนี่มีชื่อมากนั่นก็ไปเรียนวิชาแพทย์นานถึงเจ็ดปีนะนนท่านก็ขยันมากนะแต่เรียนเจ็ดปีเต็มแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิชาความรู้นี่ มีพอที่จะรักษาคนไข้หรื อ, อยังแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยตัวเนี่ยเรียนจบแล้วหรื อ, อยังมีอะไรที่ต้องเรียนต่อไหมก็ไปถามอาจารย์นะอาจารย์ก็ทดสอบความรู้โดยการให้หนุ่มชีว ก, กะเนี่ยไปสำรวจต้นไม้ทุกชนิด รอบเมืองตักกศิลากรศมีหนึ่งโยชน์นดูว่ามีต้นไม้หรือพืชใดเนี่ยที่ใช้ทำเป็นยามไม่ได้ท่านก็ทำตามคำสั่งของอาจารย์เลยนะเอาจอบเอาเสียมไปเราก็ไปตรวจ ด, ดูต้นไม้ทุกชนิดเลย อาจารว่าทุกต้นเลยก็ว่าได้ก็ไปอยู่หลายวันนะไปค้นหาท้ายก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าหาไม่เจอเลยนะต้นไม้หรือพืชเนี่ยที่มันใช้ทำเป็นยาไม่ได้ทำเป็นยาได้หมดเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่านั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถจัดรักษาคนไข้ได้ลด้วยนีนะ้ท่านก็เลยนะกับกุ้งราชคือแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นแพ้การค้นพบของท่านในครั้งนั้นน่าสนใจนะเพราะว่าต้นไม้หรือพืชเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะที่ไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วก็หลายชนิดก็เป็นโทษด้วยนะก็คือมีพิษ บางทีก็น่ารังเกยียเพราะเป็นวัชพืชบางทีก็ส่งกลิ่นเหม็นต้นอุติปเนี่ยนะโอแต่ว่าท่านก็ยังพบว่ามันใช้เป็นยาได้ถ้าไม่ใช้ต้นหรือรากก็อาจจะเป็นผลหรือเม็ดของมันหรือว่าเปลือกของมัน สามารถใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้หมดเลยแม้แต่พืชที่มีพิษหรือว่ากระชับพืชเนี่ยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยจะเอามาปรุงเป็นยาได้อย่างไรนะจะเอาส่วนไหนมาเป็นยาการค้นพบของท่านเนี่ยนะมันน่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ย ไม่มีอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงนะมันไม่ใช่แค่พืชนะที่ทุกชนิดที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าสรรพสิ่งเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมาล้นแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นแล้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวนัะ น, นามธรรมาด้วย สิ่งที่เราคิดว่าเป็นขยะ น, ะน้ารังเกยียจส่งกลิ่นเม้นเนี่ยนะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นประโยชน์เอามาใช้ทำเป็นปุ๋ยได้อุจจาระที่เหม็นนะที่คนในสังคมเมืองเนี่ยถือว่าเป็นปฏิกูลเนี่ยในหลายที่หลายแห่งนะเช่นประเทศประเทศจีเนี่ยก็มาทำเป็นปุ๋ย ผลไม้จีนนะที่อร่อยหอมหวานถามว่าเนี่ยมันมาจากไหนนะมันมีอะไรเป็นปุ๋ยนะเราคงจะรู้นะมันก็ที่มันหอมหวานกมน็มันได้ปุ๋ยชั้นดีนะคือว่าก็อุดจร่างคนนี่แหละนั้นสิ่งที่คนรังเกียจ มันก็ยังใช่ว่าจะไร้ประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรปุ้ยอายาเนื้คือว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าอย่างไรนะอะไรีนไม่สำคัญกับว่าเราใช้มันอย่างไรเราจัดการกับมันอย่างไรแม้อะไรที่ว่ามันจะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษส่งกลิ่นเป็นปฏิกูลแต่ถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกนะ มันก็มีประโยชน์แก๊สพิษเนี่ยที่ฆ่าคนได้และใช้ในการทำสงครามมันก็มาใช้รักษาโรคช่วยช่วยคนได้นะยาที่ใช้ทำเคมีบอมบัตเนี่ยเรียว่าทุกชนิดเลยนะที่ใช้รักษามะเร็งเนี่ยมันล้วนแต่มีที่มาจากแก๊สพิษนะที่ใช้ทำสงครามที่ใช้ในการสงคราม คือมัสตาร์ดนะแก๊สมัสตาร์ดเนี่ยมันเป็นแก๊สพิษเลยนะแต่ว่าข้อมาใช้ทำนะเคมีบำบัดได้กลายเป็นยาได้เหมือนกันนะช่วยชีวิตคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปธรรมนะนามธรรมเหมือนกันนะสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ดีนะเช่นกิเลสตัณหาเนี่ย หรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้มันก็กลายเป็นของดีได้นะมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุสามขวบเป็นเด็กชายแม่เนี่ยก็พาไปกราบหลวงปู่ขาว แม่ยังก็นำอาหารไปถวายหลวงปู่ขาวด้วยแล้วก็พาลูกชายเนี่ยไปกราบหลวงปู่ขาวเด็กก็ไปเหลือเห็นในฝาบาทของหลวงปู่เนี่ยมันมีเงาะปอกเปลือกออกขาวเด็กเห็นก็สนใจเด็กคงไม่เคยกินเงาะนะหลวงปู่ขาวเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากกินไหม จะอยากกินต้องแลกกันนะเดี๋ยวก็ถามว่าอยากกินแล้วต้องทําอะไรบ้างหลวงู่เขาบอกว่าก็ต้องนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ถามว่านั่งสมาธิยังไงนะท่านก็บอกเนี่ยเอาเท้าซ้ายมาทับเท้าขวามาเท้าขวามาทับเท้าซ้ายแล้วก็บริกรรมเดี๋ยวก็ถามาบิกรรมยังไงหลวงปู่ขาท่านก็ รู้นะว่ากับเด็กแบบนี้เนี่ยก็ต้องอจะใช้คําพุโทโธเป็นคําบริกรรมก็คงไม่เหมาะเด็กอยากกินเงาะนะท่านก็เลยบอกเนี่ยให้ใช้คําว่าหมากกังเงาะนี่แหละเป็นคําบริกรรมหนะมักเงาะเนี่เป็นภาษาอีสานนะเด็กอยากกินเงาะก็บริกรรมขณะนั่งสมาธินะ แล้วก็บริกรรมนะว่าหมาเงาะหมาเงาะ2องพยางนะหายใจเข้าคงก็นึกถึงหมากหายใจออกก็เงาะเนี่ยทำนองเนียนะตอนที่เด็กเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยเด็กก็นั่งหลับตาทำนี่ก็ทําไปก็เลียปากไปเพราะว่านึกถึงเงาะแล้วเนี่ยมันก็น้ํำลายไหลแต่ด้วยความอยากนะก็ทําให้เด็กเนี่ย ทำตามที่หลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยสอนภาวนาด้วยการ น, นั่งสมาธินึกถึงหมากงอะทีแรกก็น้ำไหลนะเพราะว่านึกถึงรสชาติของมันแต่ทําไปสักพักเนี่ยจิตก็นิ่งนะเป็นสมาธิแล้วก็รวมลงเป็นหนึ่งเลยทาสมาธิอยู่ภักใหญ่ๆนะ ก็ได้ยินเสียงระฆังเด็กลืมตาขึ้นก็เห็นแต่หลวงปู่ขาวเนี่ยกับตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนสารลาที่เหลือไม่มีใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วปพรากว่ามันเป็นเวลาบ่ายสามนะเป็นเวลาที่พระเนี่ยต้องมารวมกันมาทำปัดกวาดสารลาเด็กเนี่ยเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ เช้านะตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่ขาวยังไม่ทันชันเลยเขาก็าเด็กนั่งสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งนะจนถึงบ่าย3มเนะี่ยกี่ชั่วโมงนะเจ็ดแปดชั่วโมงเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าที่เด็กนั่งนะแล้วก็จิตเป็นสมาธิได้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากความอยากนะอยากกินเงาะไอ้ความอยาก น, นี่มันก็เป็นตันหานะเป็นกินเลส แต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นตัวเหนี่ยวนำนะให้เด็กคนนี้เนีน่ยนะเกิดสมาธิได้อาศัยความอยากอาศัยตัณหาก็ได้นะเป็นเครื่องน้อมจิตให้เกิดเป็นสมาธิซึ่งก็เป็นทาฝ่ายกุศลนะกินอลไตัณหานี่มันก็มีประโยชน์ ในบางครั้งก็ทำให้จิตใจรุ่มร้อนแต่ว่าถ้าใช้เป็นนี่มันก็สามารถจะเป็นอุบายหรือเป็นอุปกรณ์ทําให้จิเกิดความสงบได้อย่างที่เด็กคนนี้ก็ได้ประสบด้วยตัวเองที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะความอยากที่เป็นตันหาอารมณ์อกุศลอย่างอื่นนี่มันก็สามารถจะเป็นตัว น้อมจิตให้เกิดสมาธิได้นะมีแนวคนนึงเนี่ยนะอยู่วันหนองปลาพงเนี่ยที่วัดหนองปลาพงเนี่ยถึงวันพราเนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็จะแสดงธรรมอ่าแสดงธรรมกลางคืนเนี่ยท่านเทศน์นี่บางหลายชั่วโมงนะเกิดพวันพรานี่จะมีการเทศเนี่ยจน เชาเลยในสัจฉิกไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยก็คืนนึงเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยก็แสดงธรรมยาวเลยไอเนี่ยนี่ก็ง่วงนะง่วงก็ได้แต่นึกว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อชาจะเลิกหรือจะหยุดแสดงธรรมสักทีตัวเองเนง่วงด้วยแล้วก็เมื่อยด้วยนะเพราะนั่งนานนั่งมาหลายชั่วโมงแล้ว หลวงพ่อชาก็ยังเทศไม่หยุดสักทีเด็กเนี่ยเกิดความงุดนีงขึ้นมานะไม่พอใจเนรเนี่ยนะก็นึกบนในใจว่าเนี่ยหยุดสักทีหยุดสักทีเนี่ยเตืนภาษาอีสานว่าเสาร์ซะเสาเ์ซะาร์ซคือหยุดสักทีหยุดสักทีบนยืงเนี้ยนะหลวงพ่อช้างแสดงธรรมไปเด็กไม่ฟังเลยแต่แต่ที่จะเสียงดังอยู่ในหัวเสาร์ซะเสาๆ์ เป็นเสียงความหงุดหงิดเป็นเสียงความโกรธแต่ถึงจุดหนึ่งนะเด็กก็เกิดได้สติขึ้นเนยก็ได้สติขึ้นมาว่าเนี่ยเราไปบอกให้หลวงพ่อชาหยุดเทศแต่ทำไมเราไม่หยุดบ่นสักทีทำไมเราไม่หยุดโวยวายสักทีทำไมเราไม่หยุดหงุดหงิดสักทีพอได้คิดเชนนี้เนี่ยก็ได้สติแล้วก็แทนที่จะบน่น อย่างเดียวก็เริ่มทำสมาธิสมาธิเนี่ยก็อาศัยคำเนี่ยคบ่นนี่แหละมาเป็นคำบริกรรมนะเศรษะเศราะใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความหงุดหงิดอยู่นะเพราะว่าแม้จะรู้ว่าตัวเองนีไน่ไม่ควรจะบ่นไม่ควรจะหงุดหงิดแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกหงุดหงิดแต่ว่าจิตที่ใยดีเนี่ยก็ทำให้นะหันมาทำสมาธิแทน แต่ว่าเสียงบน่นก็ยังดังอยู่ในใจนะก็เอาเสียงบ่นนั่นแหละมาเป็นคำบริกรรมสักทีเอาเอามาไปทำบริกรรมซะเลยเสาซ่าเสาซ่ปรากว่าจิตนะเป็นสมาธิเลยนะจิตเป็นสมาธิดิ่งเลยนะมาลืมตายทีสว่างแล้วคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วเแล้อตัวเองนั่งสมาธิอยู่โอ้จิตเป็นสมาธิดีมากเลยนะ เพราะว่าไอ้คาว่าเศราสะหรือว่าไอ้ความรู้สึกที่หมุดหิดลําคัญใจนี่แหละนะเอามาใชใ้เป็นประโยชน์นี่มันก็สามารถทําให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันไอ้ตัณหาหรือความรคู้คือความอยากเนี่ยรวมทั้งโธสะคือความหมุดหงิดความโกรธเนี่ยมันก็สามารถจะามาใช้ประโยชน์นะเป็นอ่า เครื่องน้อมใจให้เป็นสมาธิได้อันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าเนี่ยอารมณ์อกุศลเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยมันก็มีประโยชน์และนนับปาเลยนะกับเวลาเราเจริญสติแล้วเนี่ยแล้วมันมีมันมีความคิดที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ย แล้บางทีมันก็เป็นวิวสรสะดวกนะมันชื่อว่าอุทธจักอุทธจ ร, ร, ร ค, ความฟุงรร้งซ่านแล้วมันไม่ใช่ฟุงรร้งซ่านเดี๋ยวมีความร้อนใจความวิตกนะกุกกุจจ์มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นบางทีก็มีราคะโภะเกิดขึ้นนึกถึงของกินนึกถึงความสนุสนานซึ่งอารมณ์เหล่านี้มันอาจจะรบกวนจิตใจได้แต่ว่ามันก็ สามารถจะมาใช้ประโยชน์ในการภาวานาได้อย่างที่หลวงพ่อเทียนนะี่ก็ยํำอยู่เสมอนะอความคิดความหลงนี่มันมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้อ ง, ต, องต้องไปห้ามมันอย่าไปห้ามคิดอย่าไปผักไสมันเพราะว่ามันเป็นมันสามารถจะเป็นแบบฝึกหัดให้สติของเราเติบโตและทาให้เกิดความรู้สึกตัวได้ ความหลงเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าการเจริเซติของเ ร, ราเนี่ยมันจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อเรามันรู้ตัวว่าเผลอมันรู้ตัวว่าหลงแล้วเราจะรู้ตัวว่าเผลอเราจะรู้ตัวว่าหลงได้ก็ต่อเมื่อมันมีความเผลอความหลงเกิดขึ้นถ้าไม่มีความเผลอความหลงเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงได้ย่งไง และวพอรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงเนี่ยที่ทำให้สติของเราเนี่ยเติบโตวรวดเร็วชับไวมันก็มีประโยชน์นะแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวส่งเสริมสติหรือเป็นปุ๋ยบำรุงสติอย่างเดียวนะมันก็สามารถจะเป็นปุ๋ยบำรุงให้เกิดปัญญาได้ด้ว ย, วยเพราะว่าอารมณ์กุศลเหล่านี้ความดีใจความหงุดหงิดความโลภหรือวันนิวรน ทั้งห้าประการเนี่ยมันก็สามารถจะสอนทําให้กับเราได้สอนไตรลักษณ์ให้กับเราให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเรียนเราจะเข้าใจเรื่องอนัตตาว่าอารมณ์พวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นและมันโชว์ให้เราดู ถ้าเราดูเป็นนะมันก็จะโชว์หรือแสดงอันติจังทุกของอ์งาวนัตตาให้เราตรงนี้มันก็มีค่าเท่ากับอารมณ์ฝ่ายกุศลเพราะอารมณ์ฝ่ายกุศลก็สอนอันติจังทุกของอ์งาวนัตตากับเราเหมือนกันเวลาเราฝึกสมถก ร, รมฐานเนี่ยเราก็ปรารถนาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเช่นความสงบ สมาธิปิติเอาอารมณ์อย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันทําให้ใจไม่สงบแต่ในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเกิดปัญญาเนี่ยไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายกุศหลหรือฝ่ายอกุศลเนี่ยมันล้วนแต่สอนหรือแสดงไตรลักใ ห, ให้กับเราได้เท่าๆกันความดีใจก็สอนไตรลักให้กับเราพอๆกับความเสียใจ อัน ถ, mm. ถ้าเรารู้จักมองเนี่ยเออเราก็ได้เรียนรู oh. ้นะว่าอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและต่อไปเราก็จะมองเห็นไปกระทั่งว่าไม่ใช่แค่นามหรืออารมณ์ที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้รูปนี่ก็เหมือนกันนะมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนกัน เวลาเปนเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยความปวดความเมื่อที่เป็นของดีนะมันกำลังแสดงให้เราเห็นว่าไอ้รูปเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นตัวทุกข์ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นของเราเราก็สั่งให้มันหยุดปวดหยุดเมื่อยได้แต่ว่าความปวดความเมื่อยเราสั่งให้มันหายไม่ได้มันไม่ใช่แค่เวทนาที่เป็นอนัตตานะไอ้ร่าไอ้รูปหรือร่างกายนี่มันก็เป็นอนัตตา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้มีประโยชน์น่นเนี่ยตัวทุกเนี่ยตัวกุศลเนี่ยมันสอนสัจธรรมให้กับเราได้และทริจริงมันก็เป็นเป็นตัวบำรุงนะให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมและสามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ นิโรธเนี่ยนะซึ่งเป็นอริสัตข้อที่3เนี่ยจะเข้าถึงได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านอริสัตข้อแรกอริสัตข้อแรกคืออะไรคือทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เนี่ยเราจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้อย่างไรหรือเราจะเข้าถึงนิโรธได้อย่างไรแล้วเราจะรู้จักทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นถ้าไม่มีทุกข์เลยเนี่ยเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรและถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราจะเข้าใจสมุทัยแล้วก็ เข้าถึงนิโรธได้อย่างไรรวมทั้งจะเห็นตัวมรรคหรือว่าเอามรรคเนี่ยมามาปฏิบัติจะทังเข้าถึงนิโรธได้อย่างไรทุกข์กับความพ้นทุกข์นี่มันมันเป็นของคู่กันนะหรือจะพื่ว่าทุกข์กับความรู้แจ้งี่เป็นของคู่กันก็ได้เจราตรัสว่าเนี่ยเป็นเพราะมี ความเกิดความแก่และความตายเนี่ยพระองค์เนี่ยจึงอุ บ, บัติขึ้นมาในโลกและพระสัทธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยจึงเจริญรุ่งเรืองผู้เกียรติยานคือว่าเป็นเพราะมีทุกข์เนี่ยเป็นเพราะโลกนี้มีทุกข์เนี่ยจึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าและท่านติอาหาันท่านก็นเลยพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะ n o m a nomotas ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบวัวเพราะมีโคลนตมเนี่ยจึงมีดอกบวัวหรือพื้อยาเนื้อคือว่ามีดอกบวัวได้เพราะมีโคลนตมดอกบวัวที่ไม่ใช่หมายถึงดอกไม้อย่างเดียวนะแต่หมายถึงความรู้แจ้งหรือโพธิส่วนโคลนตมเนี่ยคือความทุกข์นะรวมทั้งสิ่งที่เป็นปฏิกูลซึ่งก็รวมถึงอารมณ์ที่เป็นอกุศลด้วยง น, นั้นโคลนเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันเป็น สิ่งที่บำรงดอกบัวเช่นเดียวความทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดอาการรู้แจ้งหรือโพธิเวลาเราเจอความทุกเนี่ยนะก็อย่าเอาแต่คร่มครวญเศร้าโศกเพราะว่ามองให้ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ในทางโลกอย่างเดียวประโยชน์ในทางธรรมด้วย ความทุกข์ก็ทำให้หลายคนเข้มแข็งทำให้หลายคนเนี่ยเกิดปัญญาสามารถค้นพบหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายหรือทำให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการงานอันนี้เป็นประโยชน์ทางโลกแต่ในทางธรรมเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เห็นธรรมได้เหมือนกันนะเจอทุกข์ก็เลยเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรเก nous, ิดขึ้นกับเราเนี oui. isis, ouais. nous figure, nous ่ยนะมันก็ไม่สำคัญต่บว่าเราจะใช้มันอย่างไรหรือเราจะมองมันอย่างไรหรือเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรส่วนหญ่เราไปสนใจแต่ว่าอะไรมากกว่าอย่างไรขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราขอให้สิ่งแย่ๆอย่าได้เกิดขึ้นกับเราถ้าสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราเช่นทุกเมื่อไหร่นี่ฉันแย่แน่ๆมันจะไม่ทันแย่หรอกนะเพราะว่าแม้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย สิ่งทมมัมดอยู่ที่ ว, วเราจะใช้มันอย่างไรอะไรไม่สำคัญแต่ก็ว่าอย่างไรนะเจออะไรก็ไม่สำคัญแต่ก็ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเห็นประโยชน์ของมันหรือหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรนี้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเนะดือดเพราะสิ่งที่เป็นลบเนี่ยความทุกข์ก็ดีอารกุศลก็ดีลองมองดีๆนะเราก็รู้จักใช้มันเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ได้ อย่างนี้ก็พุทนะ